พระธรรมเทศนาแผ่นที่65าลำดับที่17โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่24มิถุนายน2554ัีมีชื่อเรื่องว่าเราต้องการพระที่มีคุณภาพวันนี้เป็นวันที่24 มิถุนายนพุทธศักราช 2,554 นับจากวันนี้ไปอีกสมอาทิตย์เป็นวันเข้าพรรษาเข้าพรรษาวันที่16กรกดา54วันนี้เป็นวันพระแรม8ค่ำเดือน7อีกสาม สั ป, ปดาห์สามอาทิตย์21วันเป็นวันเข้าพรรษาขอให้พวกเราทุกองพระให้เตรียมพร้อมดูกุฏิที่พักพาอาศัยตัวไหนที่ยังขาดตกบกพ่องมันแตกมันรั่วยังไงให้ดูไม่ใช่ว่าเข้าพรรษาจะก่อนจะค่อยมาทำกู๊กกะกัก ทางถนนหนทางก็ให้ช่วยกันดูนาค ก, ก็เพืินกันอูบาที่ว่างๆนาคไหนพอที่จะไปช่วยงานได้ใครจะไปอยู่กุฏิลังไหนนาค ก, ก็ให้ช่วยกันดูที่พักตัวเองขณะนี้เรายังทําความสะอาดได้ดูแลเจนาชนะได้ถนนหนทางได้ทางเดินโยกรมได้เพราะเราเป็นนาคอยู่ เมื่อเป็นพระแล้วเราจะได้หญ้าตัดกิ่งไม้ก่นไม้เราทําไมไา่ได้เพราะเหตุใดเพราะวินัยห้ามพระวินัยไม่ให้ทาแต่ี้เราเป็นคาวาสอยู่เราทําได้แต่เว้นเสียจฆ่าสัตว์นะฆนะ่าสัตว์จะทำไม่ได้นะฆ่าลิ้นฆ่ายุงฆ่ามดฆ่าสั์ไม่ได้เด็ด่าตัวเล็กตัวใหญ่ แต่ได้ต้นไม้ในหลักของพระพุทธศาสนาธั้งหมต้นไม้ไม่มีวิญญาณแต่ว่าเป็นกฎห้ามมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลพี่น้องประชาชนในยุคสมัยนั้นเขาถือว่าต้นไม้มีจิตวิญญาณพอเห็นพระสงฆาา์ด้ยาเขาก็ต่อต้านขึ้นมาทำให้พระพุทธเจ้าบัญญัติวินยัยตั้งแต่ครั้งกันน้นห้ามภิกษุดายา ตัดต้นไม้ถ้าพิกจูได้ทาปรับอบัติผิดศีลขาดศีลไปข้อหนึ่งผิดกฎที่พระพุทธเจ้าวางไว้เพราะนั้นพระจึงทําไม่ได้เมื่อพวกท่านบวชามาพวกเราทั้งหลายบวชพมาแล้วจะทําไม่ได้เพราะฉนั้นขณะนี้พวกเราดูแล้วที่ตรงไหนไม่เรียบร้อยก็ช่วยชวยกันคิดช่วยช่วกันทําเพื่อความผาสุก ข, ของพวกท่านเอง แล้วก็พระผีเลี้ยงอย่าไปทิ้งให้คนนู้นคนนี้เรื่องบริขารพระใหม่พระเก่าให้ช่วยชวยกันดูพราะบริขารของเรามันมีอยู่ที่วัดเพียงแต่ช่วยกันจัดอันไหนควรจะจัดอย่างไรให้พร้อมอเราเฉยเมยไม่ดูแลอัฐบริขารให้หมูให้เพื่อนไม่มีอานิสงนะ พระในครั้งพุทธกาลพระพาหิยะอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้ากจัจปาอายุอายุยืนถึงสองหมืนปีเป็นพระแต่ไม่เคยขนขวายเรื่องอัถบริขารให้แก่หมู่พวกเพื่อนกินและใช้ตามปกติธรมรมดาไม่ได้คิดขนขวายไม่ได้คิดช่วยหมู่เรื่องอัถบริการพอมา ในชาตินี้เมื่อฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเรียกเอหิภิกขุไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าพระพายะไม่เคยขนขวายอันในสงแห่งการจัดทัศบุตรขานะไม่มีพระนั้พระพทธองค์บอกว่าพายะ เธอไปหาบริขารในครบสก่อนนะเธอจึงบวชจากนั้นท่านก็เดินไปหน่อยหนึ่งกับวัวก็เลยชนวิดท่านก็เลยมรณภาพเลยไม่ได้บวชแต่ท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์จะสมัยเป็นโยมเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราอย่ามองข้ามกุศลแลแกๆน้อยๆพอที่จะช่วยเหลือพระสงฆ์พวกเพื่อนได้พวกเราจะต้อง มองเธอต้องช่วยกันเป็นบุญเป็นกุศลติดภพติดชาติของพวกเราถ้าพวกเราเฉยเฉยเมยเยหน้าที่ไม่ใช่ค่าค่าไม่ใช่นาทีคนไม่สร้างบุญไม่สร้างกุศลแล้วอั น, นี้สงฆ์จะมีจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะนั้นจริงล่านี้ให้ช่วยๆกันเรื่องอัถบริขานของพระใหม่ หรือว่าพระเก่าก็เถอะท่าองค์ไหนเป็นผู้ขี่ายไม่รู้จักไอที่จะเอาไปใช้พวกเราก็หยับหยิบยื่นให้เอาไปใช้ของพวกเรามีอยู่สรุปแล้วก็คือการอยู่ด้วยกันให้มีน้ำใจให้มีเมตตาให้มองกันเหมือนอวัยวะเดียวกันขาดเหลือขาดตกบอกกันหาให้กัน ผมจะเป็นผู้ดูแลปลู้ปกกลองแต่จะให้ผมดูหมู่พวกเพื่อนในรายละเอียดนั้นผมก็คงจะมองไม่เห็นแต่พวกท่านอยู่ด้วยกันพวกท่านควรจะมองเห็นกันได้ว่าขาดเหลือขาดตกอะไรแต่ถ้ามันขาดมันไม่มีใช้ก็บอกผมในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าผมไม่เคยที่จะปล่อยปละละเลย ในการเป็นอยู่ของหมู่พกเพื่อนผมรับก็มาทุกกงเหมือนกับอยู่ในใจของผมทั้งหมดเหมือนอวัยวะของผมเหมือนแข้งขาตีนมือของผมทั้งหมดเพราะนั้นผมจะเรียกผมจะใช้ผมจะบอกจะกล่าวองค์ไหนผมจึงไม่ได้เกรงใจเพราะถือว่าพวกท่านเข้ามาเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้สิ่งไหนที่ไม่รู้ผมก็จะพยายามสอนให้พวกท่านได้รู้ได้ศึกษา ตามแนวแถวพระกรรมฐานตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนผมมาผมก็จะถ่ายทอดให้แก่พวกท่านทั้งหลายได้ศึกษาจากนั้นผมเองก็ได้ศึกษาธรรมะทมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นพระสูตรพระวินยัยพระประมาตธรรมในพระไตรปิฎกที่ผมได้ศึกษามากน้อย พอที่จะเป็นความรู้ให้แก่พวกท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาผมก็พยายามถ่ายทอดความรู้นั้นนั้นให้แก่พวกท่านได้ฟังอย่าง MP3 ของผมที่ถ่ายทอดเป็นแผ่นลงไปก็เพื่อเป็นแนวการศึกษาถ้าว่าผมจะมาพูดซ้ำๆ ซ, ซักๆไม่รู้จักจบจักสิน้นอันนั้นก็คงจะ เป็นเวลาเสียเวลาเหนื่อยเปล่าเพราะคำไหนพูดไปแล้วจะมาพูดซ้าซากเพราะฉะนั้นจึงอัดใส่ MP ็สามเอาไว้ต่อไปภายภาคหน้าหรือว่าพวกท่านทั้งหลายอยากจะศึกษาดูฟังดูว่าหลวงพ่อได้แนะนําสั่งสอนอย่างไรที่พวกท่านทั้งหลายรุ่นก่อนๆจนมาถึงรุ่นของพวกท่านพวกท่านก็จะได้รู้ ว่าหลวงพ่อแนะนำสั่งสอนแนวทางปฏิบัติสั่งสอนอย่างไรเพราะนั้นขอให้พวกเราพวกทุกท่านพวกท่านทั้งหลายที่มาอยู่วัดผมทั้งพร ะ, พระเก่าพระใหม่ให้เป็นผู้มุ่ง ม, มั่นให้ตั้งใจผมมาได้สั่งสอนพวกท่านทั้งหลาย ใ, ใส่เข้าต้มข้าวหนมให้ลืมตัวให้เย่อหยิ่งจองหองต่อลาบยศชนะเจริญไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าพวกท่านอยากจะรวยพุกท่านเป็นกระวาดนะเนีอยก็พี่น่าจะเพียงพอไม่น่าจะมาอยากจะรวยามาเป็นพระเป็นเจ้าแล้วอยากจะมาโลกโหโมกณะนะ เ, เก็บผ้าเก็บสิบ เ, เก็บพรอมลอมลริพณะที่เป็นเป็นนักพจนักปวดมันไม่ถูกต้อง มาเข้ามาแล้วเพื่อการศึกษาเพื่อปฏิบัติถ้าขาดเหลือขาดตกอะไรผมรู้อยู่แล้วบอกถ้าไม่กล้าบอกผมก็บอกคณะสงฆ์บอกหมู่พวกเพื่อนเตรียมไว้เพื่อสาหรับพวกท่านทั้งหลายอยู่แล้วเรื่องปัจจัยสี่ไม่ต้องวิต ก, กังวลสำหรับพวกท่านทั้งหลายที่อยู่วัดเนี่ยวัดอื่นๆมีความสุขในการเป็นอยู่อย่างไร วัดของเรากคงจะไม่แพ้วัดอื่นๆเหมือนกันในเรื่องปัจจัยสี่ตลอดการดูแลเจ็บไข้ได้ป่วยส่งนัสถานที่ต่างๆเพราะนั้นพวกท่านทุกองนะสรุปแล้วก็คือให้มุ่งมั่นให้ตั้งใจสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่านำเอามาเกี่ยวข้องกับวัดของเรา จะเป็นผู้ใดก็ตามจะเป็นนาค ก, ก็าตามให้สอดส่องดูกันถ้าวัาดูแลมีพฤติกรรมไม่ดีน่าสงสัยอย่าปิดเอาไวา้บอกผมขอให้นาคทั้งหลายหรือพระองค์ไหนก็ตามฟังเอาไวา้ในเรื่องนี้เราจะไม่เลี้ยงคนชั่วไว้ในวัดเพราะสถานที่วัดเนี่ยวัดเนี่ ย, เ, ยเป็นสถานที่ พระสงฆ์ทั้งหลายเขากราบเขาไหว้เวลาเขาไหว้เห็นไหมยกมือไหว้ถาวายจจตุปัจจัยค่าเอาหงอาหารคิดดูซิวันหนึ่งเท่าไหร่ที่เขาเออกมาถาวายเพราะนั้นเราจะมาทำความเสียหายในวงการหรือในพระพุทธศาสนาพวกเราต้องคิดให้ดีถ้าหากว่าตัวเองเป็นพระที่ดีไม่ได้ไม่ควรจะอยู่ อยู่ทำไมอยู่เข้าไปและเสียเสียวงการพระพุทธศาสนาเสียวัดวาศาสนาท่า น, นพวกท่านทั้งหลายต้องเป็นหูเป็นตาสอดสอ่องอย่าให้ผมไปเห็นทุกสิ่งทุกอย่างคงเป็นไปไม่ได้ให้พวกท่านทั้งหลายช่วยกันดูช่วยกันแลถ้ามีพฤติกรรมไม่ดีสอนไปในทางที่ไม่สนใจไ ม, ไม่ยึดมั่นในหลักพระธรรมคาสอนไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัย ไม่ว่าในพันษาหรือนอกพันษาเอาออกได้ทั้งนั้นเหมือนกับนิ้วมือของเราเนี่ยเป็นมะเร็งเนี่ยออกพันษาสะ ก, ก่อนยังค่อยตัดอย่างนั้นเหรอถ้าออกพันษาสะ ก, ก่อนมันจะลุกลามเข้ามาถึงนิ้วมือถึงฝ่ามือถึงตายได้เราก็จะต้องตัดทิ้งเพราะเหตุไรเพราะมันเป็นมะเร็งมันจะลุกลามนี้ก็เหมือนกัน ท่านผู้ใดก็ตามจะเป็นฝ่ายครูก็ตามจะเป็นฝ่ายพระใหม่พระเก่าถ้าดูดูแล้วถ้าว่าทำตัวไม่ดีแล้วให้คณะสงฆ์เป็นผู้ดูแลดูแลปกป้องอันนี้คือดูแลพระพุทธศาสนาไม่ใช่ดูแลช่วยผมนะปกป้องน้ำสะอาดให้สะอาดคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย เป็นน้ําที่ใสสะอาดเป็นที่เข้ามาพึ่งพาอาศัยของพุทธบริษัทสี่กูบาสกกุบาสิกาภิกษุสามเณรเข้ามาพึ่งพาอาศัยน้ําที่สะอาดแต่พวกเราเข้ามาแล้วจะเป็นพระก็ดีจะเป็นโยมก็ดีรู้เท่าไม่ถึงการแล้วว่าเห็นแก่ตัวเข้ามาแล้วก็ทําตัวเป็นที่ ไม่ยอมรับไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยทําให้เสียหายนี่แหละอันนั้นคือมาเอาเท้ากวนน้ําให้ขุ่นกวนน้ําให้ศกกรปกทําให้เสียหายคนทั้งหลายได้ยินแล้วก็ขยะขยแยงไม่นับถือไม่เลื่อมใสในพระธรรมคําสอนไม่นับถือวัดวาศาสานาของเราเสียกันทั้งทั้งหมู่ทั้งคณะทุกองตั้งแต่หลวงพ่อเป็น ต้นปลายเป็นตั้งแต่หัวหน้าลงไปเสียหายหมดถึงจะทำคนเดียวองค์เดียวเสียหายก็เถอะนะอันนี้ก็ขอบอกกล่าวเอาไว้นะแต่ยังไม่มีแต่ว่าเตือนเอาไว้พวกท่านทั้งหลายเข้ามาเพื่อการศึกษาไม่ได้มาเพื่อทำให้เสียหายนี่แล้วก็เพื่อนำมาประพุทธปฏิบัติปรับปรุงกายวาจาใจของเราในขณะที่อยู่เป็นพระ ทำดีที่สุดสิ่งไหนที่มาปกขาดตัวปกพ้องอยา่ า, าทำแต่ทำไปแล้วคนทั้งหลายได้ยินขายหน้าทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่ทั้งน้องถ่าว่าคณะสงฆ์ไล่ไ ล, ไล่ออกจากวัดไปแล้วเสียหายหมดเข้าหน้าใครไม่ได้เพราะเหตุอะไรอายพ่อแม่พี่น้องอายอายคู่คนเพราะวัดของเราเป็นวัดโด่งดังพอสมควรนะ สูกศิษ์ลูกหามากมายถาว่าใครก็ตามถ้าทำไม่ถูกแล้วนะถ้าออกไปถูกไล่ออกหรือว่าคณะสงฆ์ไล่ออกหรือว่าทำตัวไม่ดีอย่างนี้มาอยู่วัดกันนะใช้หมัดใช้มวยใช้อารมณ์โมโหโกธาอย่างนี้ขาดการยับยัง้งขาดขันติคือความอดทนอย่างนี้ไม่ได้นะ อันนี้หลวงพ่อเตือนเอาไว้ขอให้พวกเราลูกหลานพระนาคทุกคนนะสรุปแล้วให้เป็นคนดีเข้ามาบวชแล้วก็ให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้จริงจังแล้วก็พระเก่าควรจะเป็นตัวอย่างอย่าไปเป็นตัวอย่างทางเลวเป็นตัวอย่างทางดีชวนพูดชวนคุยชวนเรื่องจับเพลละนามาพูดถ้าองค์ไหนเป็นอย่างนั้นก็บอกผมอีกเหมือนกัน ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีเดี๋ยวผมจะเอาออกไม่ได้เลือกว่าพระเก่าพระใหม่ไม่ได้เลือกว่าชั้นไหนนะ่ะพระเก่านะ่ะยิ่งเอาออกง่ายเพราะเหตุไรเพราะว่ามันจะทำให้เสียหายได้เพราะพระเก่าทำตัวไม่ดีไม่เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกับลูกพี่เหมือนกับทหารนั่นแนหะแต่ครูฝึกพาทำความชั่วใะเองทหารเกณฑ์ก็เสียหายหมด พ่อใหญ่เพราะว่าลูกพี่ไม่ดีลุกพี่ต้องเป็นตัวอย่างหลวงพ่อแนะนำสั่งสอนอย่างไรไปบอกผู้ได้รับการศึกษาดีแล้วผู้ฝึกดีแล้วผู้เข้ามาศึกษาดีแล้วหลวงพ่อบอกอยังไงนำมาเป็นตัวอย่างกับพวกน้องๆเข้ามาก็แนะนำสั่งสอนไม่ใช่ว่าลุกน้องพวกน้องๆเข้ามา พอหลวงพ่อพูดเขาก็เกรงใจเขาก็อยากจะทำอยู่แต่เห็นลูกพี่พวก้าค เ, เก่าๆไม่เคารพในวาจาของหลวงพ่อพาทำพาพูดพาคุยพาไม่เคารพในคําของหลวงพ่อบอกมาหลวงพ่อจะจัดการเพราะเหตุไรเพราะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหลวงพ่อจะไม่เลี้ยงเอาไว้เหมือนกัน พ่อพงคงหลวงพ่อเน้นแนะนำสั่งสอนพระไม่ได้แนะนาสั่งสอนใครถ้าพระไม่ตั้งใจแล้วจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงต้องออกเพรา ะ, ะนั้นสิ่งนี้ให้พวกท่านทั้งหลายคิดทุกองคะสรุปเลยคือให้เป็นพระที่ดีเราต้องการพระให้เป็นพระที่ดีพระดีพระมีคุณภาพ พระมีพระมีคุณธรรมพระพระมีศีลธรรมมีพระมีจริยธรรมที่ดีเราไม่ต้องการปริมาณแต่เราต้องการคุณภาพต้องการคุณภาพปริมาณแต่มีปริมาณมากแต่พร้อมกับคุณภาพก็ยิ่งดีเหมือนกับพระในครั้งพุทธกาลเป็นพระอาราชทั้งหมดสองรป้อห้รูปอย่างนั้น รวนแล้วจะเป็นพระอระหันต์คุณภาพจะขนาดไหนแต่ถ้าว่าพระเป็นหมู่ของเทวทัตพระห้าร้อยลูกเนเป็นหมู่ของเทวทัตนี่ถ้าว่าพระเทวทัตสอนไปทางที่ชั่วจะชั่วขนาดไหนอีกเหมือนกันเพราะนั้นพวกเราจะอยู่ในกลุ่มไหนถ้าอยู่ในกลุ่มของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเคารพ ในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรที่ลูกพ่อแนะนําสั่งสอนลูกพ่าแนะนําอย่างไรศีลและวินัยเป็นอย่างไรอย่างเนี้ยพวกเราต้องฟังต้องศึกษาให้เข้าใจต่อไปภายภาคหน้าเราไม่ได้สอนกันอยู่เพียงแค่นี้ต่อไปจะเป็นพระผู้ใหญ่พวกท่านทั้งหลายจะเป็นพระผู้ใหญ่มีอายุพรรษาแล้วจะมีกฎมีเกณฑ์ดูแลหมู่พวกพื่น นไปอยู่ข้างนอกก็เป็นพระที่ดูแลลูกน้องศึกษาตามที่หลวงพ่อบอกหลวงพ่อกล่าวจากนั้นพวกท่านทั้งหลายก็จะได้เป็นผแผ่นแต่นี้มันไม่เป็นอย่างนั้นบางครั้งออกไปนะ่ยกุดกุดด่วนด่วนทำอย่างที่ครูบาอาจารย์ไม่แนะนําสั่งสอนครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนไม่เอา เอานู่นเอาเรื่องของตัวเองนะ่ะมามาพูดมาคุยเรื่องโลกเ ร, รรเรื่องสงสารเรื่องสเพเฮละอต่อไปกับเกะกะละลานเสียหายหมดวงการของพระทุรงพระกรรมฐานเพระาะนั้นพวกท่านทั้งหลายนะที่พูดให้ฟังนี่นะให้ศึกษานะเข้มงวดกวดขันนะ ใหญ่เข้ามาเท่าไหร่พันสามากเท่าไหร่ยิ่งทำตัวไม่ดี เ, เละเท ะ, เ ะ, เ ะ, เ ะ, เะไม่ได้น ะ, ะโรงครัวของเรากาโฟงกาแฟเนะี่ยเราได้ยินได้ยินอยู่นะพระติดกาแฟนะ่ะเริ่มจะมีแล้วนะเดี๋ยวนี้น ะ, ะบางทีมันกินกาแฟมันรู้จักเวล่ำเวลาอีกต่างหากถ้าเราได้ยินบอกมานะให้สังเกตนะพระโรงไหนอยู่เวนชล า, าถ้าเราถามอย่าโกหกนะ ถ้าท่านโกหกท่านผิดศีลของท่านนะตามบัติปลาจิตตีนะท่านต้องบอกว่าองค์ไหนเป็นยังไงถ้าองค์ไหนกระลำกะเหลี่ยพ้ามเพื่ออยู่ที่โรงครัวติดกระฟงกาแฟบอกมาเราจะไล่นี้ออกจากวัดเราไม่ให้พระติดนะติดยาเสพติดนะองค์ไหนก็ตามนะบอกมาถ้าเราถามนะอันนี้เราเตือนเราเตือนไว้ก่อน ฉันน้ากว่าเป็นเวลาเวลาอย่าไปเอาไปฉันที่กุฏิอย่าไปตั้งกลุ่มคุยกันมีไหมในวัดเราเนี่ยถ้าองค์ไหนก็ตามนะพระเก่า เ, เอาน้ําใส่กระติกไ ป, แ ล, กไปกแล้วไปน้าชงน้าชากาแฟแล้วไปมั่วสุมคุยกันเป็นหมู่เป็นคณะจากนั้นก็ทะเลาะ ก, กันแล้วก็ทําให้เสียงดังมันมีไหมในวัดของเราถ้ามีบอกมา เราจะออกทั้งกโยงเลยเราจะออกทั้งหมดเราบอกแล้วว่าเราไม่ต้องการปริมาณเราต้องการพระคุณภาพให้พวกท่านทั้งหลายฟังฟังไว้ถ้าถึงจุดนั้นมาจริงเราเราจริงจริงนะเคยเห็นไหมที่พระมีแผ่นซีดีเพลงมาฟังที่วัดเราไล่ออกจากในพรรษา พวกท่านเห็นไหมอย่าให้มีประวัติศาสตร 2, 3, ์ซ้ำสอง้สามองค์ไหนมีบอกมาออกนอกรูนอกทางนะไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเคาว่าพระดำพระไม่มีฮิลิโอ ต, ตปะพระอารัชีไม่ควรจะอยู่ในวัดของเราพวกท่านทั้งหลายฟังนะนี่แหละอันนี้ก็คือกฎระเบียบกฎ ว, วินยัย ถ้าพระไม่เคารพไม่มีไ ม, ไม่ไม่มีศีลไม่มีไม่อยู่ในวินัยพระไม่มีศีลแล้วเราเลี้ยงไว้ไม่ได้เอาไว้ไม่ได้เราไม่ใช่ผู้จะมาทำร้ายทำลายพระพุทธศาสนาเรารักเคารพในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผัวนพวกท่านทั้งหลายนะเขามาบวชนะถึงจะโง่งเง่าเต่าตุนอย่างไรก็อยู่ในกกอบปลักพระธรรมวิัย ให้อยู่กฎในอยู่ในกฎระเบียบของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกท่านทั้งหลายจะเป็นพระที่น่ารักเคารพนับถือนะอย่างที่ข้างนอกก็เหมือนกันถ้าเราไม่อยู่นะพระองค์ไหนนะเป็นนั่งอยู่ที่ล้างบาทดผิด ท, ที่ใส่บาทข้างนอก น, ะนั่งเคยเมย อ, อยู่นั่นนะ่ะเหมือนกับคนพระบ้านพระไม่มีสติปัญญานะ พระไม่มีเฮลิโอตปะรถมันก็วิ่งอยู่ น, นั่นั่นไม่ใช่สถานที่นั่งของพระตรงนั้นเป็นสถานที่อาโครจรอไปนั่งเห็นญาติโยมก็วิ่งผ่านถนนไปนั่งอยู่ข้างถนนไม่มีผ้าอังสะอีกต่างหากถ้าองค์ไหนไปนั่งอยู่งั้นบอกนะเราเห็นนั่งนั่งมาเราเห็นพระนี่แหละรุ่นใหญ่นี่แหละนั่งอยู่นั่นนะอย่าให้เราได้เห็นอีกถ้าเราเห็นอีกไม่ได้นะ อันนี้เราบอกชัดๆเลยอ่าองไหนก็ตามถ้าเข้าไปในบ้านอนะ่ะเอไปอยู่ในที่ชุมชนที่เข้าไปล่อแหลมนะเอาจะพาพห่มไหลเข้าไปไม่มีภาคล้องไม่มีผาาจีวรเข้าไปนะ่ะเข้าไปในบ้านก็บอกมาอีกเหมือนกันอย่าทําถ้าทําอย่างนั้นเห็นไหมพระวินัยมีอยู่แล้วอ่เมื่อเข้าไปในบ้านเราจะนุ่งห่มให้เรียบร้อย เข้าไปในบ้านมีไหมพระวินัยได้ศึกษาไหมหรือเอาทิฏฐิมานะของตนเองเห็นความมักง่ายคนตนเองไม่ได้นะเสียงเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายนะต้องอยู่ในเกาะต้องอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยถ้าเราเห็นขึ้นมาแบบนั่นละ่ะตรงตาเห็นไหมเห็นพระเข้าไปในบ้านไม่ได้รับอนุญาตจากท่านขป้าทําไมพระองค์เนี่ยมันมาคุยกับโยมไปไล่ออกจากวัด ดวงตามไม่ได้เจือใจไม่ได้ห่วงหาอะไรกับพระนะถ้าไม่ดีท่านไล่ออกจากวัดทันทีเพราะเหตุไรเพราะท่านรักพระธรรมวินัยมากกว่าพระถ้าทำไม่ถ้าทําไม่ดีท่านจะเอาไว้ทําไมก็บอกแล้วนี่สอนแล้วนี่ยอย่าไปทําอย่างนั้นนะแต่มันก็ยังฝืนทําอยู่นั่งฝืนทำแล้วจะไปอยู่ทําไมแล้วอยู่องค์เดียวจะไม่ดีเหรออยู่หลายองค์เป็นภาระถ้าหาผู้ตั้งใจไม่ได้อยู่คนเดียวดีกว่า อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะถ้าห า, าคนดีไม่ได้อยู่คนเดียวดีกว่าแต่อย่าทำความชั่วนะพระพุทธเจ้าท่านถ้าอยู่คนเดียวทำความชั่วดีกนะ็ยิ่งเสียหายเหมือนกันน่ะก็ไม่แพ้กันเออแต่อยู่คนเดียวถ้าไม่ทำความชั่วนันดีกว่าถ้าหาคนดีไม่ได้หาพระที่ดีไม่ได้หาพระอยู่ในหลักพระธรรมวินัยไม่ได้อยู่คนเดียวดีกว่าแต่อย่าทาความชั่ว ท่านยังเน้นอีกนี่แช่ว่าทำความอยู่คนเดียวดีกว่าแล้วก็จบเท่านั้นเพราะพระเจ้ามารีวาแต่ถ้าตัวเองทำความชั่วมันก็ไม่ดีอีกเหมือนกันถ้าห้ากว่าหาพระที่ดีไม่ได้หาหมู่พวกเพื่อนหาพระที่ดีอยู่ในหลักพระธรรมวินัยไม่ได้อยู่คนเดียวดีกว่าองค์เดียวดีกว่าแต่อย่าทำความชั่ว ความชั่วคิดชั่วพูดชั่วทาชั่วไม่ดีทั้งนั้นอยู่กับเพื่อนก็ไม่ดีอยู่คนเดียวก็ไม่ดีนนสิ่งนี้พวกท่านทั้งหลายฟังเอาไว้เพราะผมอย่างที่ผมพูดเบื้องต้นว่าพวกท่านเข้ามาเพื่อการศึกษาเพื่อการศึกษาผลก็จะต้องให้การศึกษาเพื่อได้ฟังฟังและเพื่อเป็นแนวศึกษา เมื่อศึกษาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของพวกท่านต่อไปพวกท่านเป็นผู้ใหญ่ก็จะได้ปกป้องดูแลพระพุทธศาสนาเป็นแนวความคิดที่ดีศึกษาก็อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยจากนั้นพระพุทธศาสนาก็จเจริญรุ่งเรืองแต่ละวีแต่ละวันออกสื่อต่างๆ อย่างเมื่อเช้าเนี่ยก็เหมือนกันฟองฟังเห็นแล้วโอ้พระกินเหล้าเออบวชมาเรียนนักธรรมแล้วรู้แล้วอายุก็ไม่ยี่ห้าสามสิบกว่าปีกินเหล้าอ่อแอโอ้เนี่ยเสียรพราะิศาสนาไม่ใช่เสียคนคนนั้นนะเข้ามาเพื่อทำลาย ถ้าคนนั้นเสียไปแล้วกระจกไปไม่มีใครรู้แต่พอภาพพบออกไปในพระกินเหล้าเนะี่ยมันเสียหมดเลยลูกเล็กเด็กแดงเขาเห็นเขาขาดความเคารพนับถือเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่ตัวเองเข้ามาเนะี่ยทำความชั่วเสียหายนี่แหละสิ่งเหล่านี้นะ่ยมันไม่ใช่เสียหายอะไรนะเสียหายส่วนกลางเสียหายส่วนรวม เสียหายสถาปันเสียหายภาพรวมพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนให้คนเป็นคนดีให้พระเป็นพระที่ดีพี่น้องประชาชนกราบไหว้กราบเท้าก็ได้กราบเท้าพระสงฆ์เพราะเหตุใดเพราะเขาทําทไม่ได้เขาทําไม่ได้อย่างที่พระทำเขาจึงรักเคารพนับถือว่าครูบาอาจารย์ประพฤติปฏิบัติตนเป็น พระทีด่ดีมีศีลแธรรมเขายอมกราบเพราะอะไรเพราะว่าเขาทําไม่ได้อย่างพวกเราท่านทั้งหลายทำํำพระครูบาอาจารย์ที่มีศีลเพราะฉนั้นพวกท่านทั้งหลายต้องศึกษาต้องฟังนะสิ่งเหล่านี้ผมบอกกล่าวเพื่อเป็นแนวความคิดให้แกพวกท่านทั้งหลายได้ศึกษานะอันนี้คือกฎระเบียบถ้าจะว่าไปแล้วก็คือเรื่องของศีล รักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลต่อไปกเ็เรื่องสมาธิสมาธิก็คือแนวความคิดในเมื่อศีลดีแล้วเวลาเข้าสมาธิและนั่งภาวนาจิตใจก็รวมสงบได้ง่ายเพราะเหตุไรเพราะว่าศีลเป็นพื้นฐานศีลเป็นที่รองรับศีลเป็นเบื้องต้น กายวาจาไม่ขนองกายวาจาจะขนองได้อย่างไรเพราะใจได้รับการอบรมดีแล้วเมื่อใจได้รับการอบรมจะพูดอะไรก็ต้องได้คิดจะทำสิ่งไหนออกไปก็ต้องได้คิดเมื่อกายวาจาไม่ขนองเพราะใจคิดกันกรองไตตองแล้วว่าการพูดการกระทาเช่นนั้นไม่ถูกหลักพระธรรมวินัยจากนั้นเมื่อนั่งภาวนา จิตใจก็เข้าสู่ความสงบได้เลยมันเกี่ยวเนื่องกันเมื่อจิตใจนั่งภาวนาจิตใจสงบก็จะรู้เห็นว่าอันนั้นผิดอันนี้ถูกอันนั้นควรไม่ควรจากนั้นก็เห็นอันนีจังทุกขังอนัตตาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเราอยเราจะเราจะสแสวงหาทําไมปนปือร่างกายนี่เลี้ยงดีขนาดไหนก็เถอะ อีกสักวันหนึ่งจะต้องถูกเผาไฟไม่มีไม่ว่าใครทั้งหมดเราคนหนึ่งละจะต้องถูกแน่ๆไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งเพราะนั้นก่อนที่จะถูกเผาไฟทิ้งน่งเราควรจะทำดีให้ดีที่สุดทำจิตใจให้บริสุทธิ์ตุดพ้นก่อนที่จะถึงวันนั้นยิ่งเลิศประเสริฐตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าตามพ่พอแม่ครูบาอาจารย์แนะนาสั่งสอน เราจะทำยังไงจึงให้จิตใจบริสุทธิ์นี่แหละคือนั่งสมาธิภาวนามีสติสัมปชัญญะอยู่ในทุกอริยบรมีสติสัมปชัญญะในทุกอริยบทคือยืนเดินนั่งนอนยืนก็มีเดินก็ให้มีสตินั่งก็ให้มีสตินอนก็ให้มีสติเว้นเสียตะลับหลับก็บมันสูตรวิสัยมันหลับไปแล้ว นี่แหละขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้เป็นการย้ำกล่าวเตือนถ้าพวกเขาทำดีอย่างนี้แล้วนะจะเป็นพระดีๆอยู่ในสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขทั้งหมดถ้าพวกท่านทำท่าน ท, ทาไม่ถูกนะใจร้อนนะร้อนร้อนร้อนร้อนนะจะหาความสุขไม่ได้อยู่ที่ไหนร้อนหมดไปโนตไิอยู่ที่นี่ก็ว่าจะดีอยู่ที่นั่นก็ว่าจะดีไปที่ไหนก็ว่าจะดี มันจะดีได้อย่างไรพอใจของเราไม่ดีใจของเรามันร้อนอยู่ที่ไหนมันก็ร้อนหมดแต่ทำใจให้เย็นเออมันใจมันร้อนไปทำไมไปอยู่ที่นั่นจะไม่ตายเหรออยู่ที่ไหนจะไ ม, ตไตม่ตายอยู่ที่ไหนก็ตายหมดตายอยู่ที่ไหนก็ตายเราต้องทำความดีเนี่ยถ้าทำความดีนะ่าจะตายที่ไหนก็ตา ย, ยาเกิดมาตายเอี่ยข้อสำคัญ ดีคนตายดีน่ไปสู่สุคติไปสู่สวัสด์พระพุทธเจ้าท่านก่อนเนี่ยทิ้งขันเหมือนกันแต่ตายเหมือนกันพูดอย่างสามัญชนแต่ใจของท่านล่ะเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเข้าสู่นิพพานไม่มาเวียนว่ายตายเกิดนต่ตายคนชั่วตายกับคนดีตายมันต่างกันนะเนี่ยพระหันตายกับผู้ทุชนตายมันต่างกันนะ คนที่บาปหนักกับคนที่บุญหนักตายมันต่างกันนะมันไปคนละที่ตถทางกันเพระนั้นเราจะเป็นประเภทไหนจะเป็นผู้กรรมหนักหรือจะเป็นผู้บุญหนักนะถ้าบุญหนักเราก็ต้องสั่งสมคุณงามความดีอย่างที่หลวงพ่อได้บอกได้กล่าวพวกเราอยู่นสถานที่ใดถ้าบุญหนักแล้วนั่นแหละเย็นสบายใจนึกขึ้นมาเวลาไหนก็าภาคภูมิใจในการเป็นอยู่ของเราแต่ถ้าว่าพวกเราทําตัวไม่ดีแล้วอย่าหวัง อยู่ที่นี่ก็ร้อนไปที่ไหนก็ร้อนมันเผาไฟมันเผาอยู่ที่ใจไม่ใช่เผาอยู่ที่อื่นนะ่มันร้อนอยู่ที่ใจอยู่ในห้องแอร์ก็ร้อนเพราะเหตุใดเพราะมันใจร้อนนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะสรุปทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อหวังดีมีน้ำใจมีเมตตาพูดใดอย่างนั้นหลวงพ่อไม่ได้คิดจะทำร้ายทำรายพวกท่านทั้งหลายมีแต่บอกกล่าวแนะนา สิ่งที่มันไม่ดีสะบัดออกจา ก, กจิตใจของพวกท่านกิเลสราคะโทสะโมหะตัดทิ้งออกจากใจเป็นผู้เข้มแข็งเป็นผู้มั่นคงเป็นผู้เชื่อมั่นในพระธรรมคาสอนและเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพวกท่านทั้งหลายจะประสบแต่ความสุขความสบายใจเย็นใจอยู่นัสถานที่ใดร่มเย็นเป็นสุขทั้งหมดเพระาะธรรมะคุ้มครองพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยาก พระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนะแต่พวกเราไม่ปฏิบัติธรรมแล้วความชั่วจะเข้าสู่พวกท่านทั้งหลายได้ง่ายเหมือนกันต่อนนี้ไปนั่งสมาธินะวันนี้นะ